ก, การมัสการครูบาอาจารย์กับเพื่อนสาหัตติในเชลยต อ, อนยมความจริงช่วงนี้หลวงพ่ อ, อยังไม่รับนิมนต์นี่พระวุ ป, ป ช, ชาท่านให้มาเทศเข้ามาหลวงพ่อก็ผูกพันอยู่กับวัดบุรพารามมานานนะตอนเด็กๆหัดภาวนาและหัด กระทั่งท่านพอหลีม้านโศการรมฝึกอยู่ได้ปีสองปีท่านก็สิ้นไปตอนที่หัดทีแรกหัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนครับเหมือนที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านสอนกันอย่างนี้นะแล้วทําความสงบอยู่อย่างนะเดินปัญญาไม่เป็นนะที่เดินไม่เป็นเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์สอนให้ท่านพอหลีตอนนั้น ท่านสิ้นไปเร็วอายุไม่มากนะ้าเคยไปกลับท่านไปเจอทีไรท่านก็เรียกภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทฝึกอย่างได้ความสุขได้ความสงบแต่ไม่รู้หรอกว่าการปฏิบัติมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกทำความสงบจิตเข้ามาก่อนให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เมจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วต้องมาเดินปัญญาต่อต้องมาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจแต่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์สอนก็ทําไม่เป็นทําแต่ความสงบอย่างเดียวเลยใช้เวลานาน22ปีนะฝึกอย่างนั้นอาจทําทสมาธิทีแรกก็ใจมันก็เคลิมเคลิมออกไปรู้ น, น้นรู้นีนะ่ออกนอกถ้าเจอหลวงปู่ดุลส์ซะต น, นั้นนะ่าสบายไปนานแล้วคงได้บวชแต่เด็กเลย นี่ไม่มีครูบาอาจารย์เราก็อยากภาวนาทุกวันนั่งสมาธิทุกวันเลยหายใจเข้าพุทธออกโทนะท่านให้นับหนึ่งด้ยพุทโทนับสองพุทโทนับสามไปด้วยท่านให้นับถึงสิบนะแล้วก็ลงมาเก้าแปดเจ็ดอะไรอย่างนี้ตอนนั้นเราเด็กเจ็ดขวบเองนับถอยหน้าถอยหลังนะไม่ไม่ชํานาญก็เลยนับหนึ่งถึงร้อเลยหายใจทุกวันทุกวัน ทีแรกก็มันก็ไม่ยอมมันสงบง่ายครั้งแรกเพราะว่าเราเป็นเด็กภาวานาไม่มีมายาภาวานาซื่อๆท่านให้หายใจเข้าพูดออกโทรเราก็ทำไปซื่อๆไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างน้นอย่างนี้ไม่ได้คิดถึงผลมนะันท่านให้ทำก็ทำทาเหตุไปเรื่อยฝึกไม่กี่วันนะก็สงบนะนี่สงบแล้วไม่ไม่รู้วิธีปฏิบัติอะไร ใจออกไปเที่ยวข้างนอกนะไม่ไม่มีประโยชน์เลยเลยเสียเวลาฝึกไปฝึกไปรู้สึกว่าไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมามีแต่ไปรู้โน้นรู้นี่จริงลจริงรือเท็จเราก็ไม่รู้อีกอย่างเราไปเห็นเทวดาเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมเราก็ยังไม่รู้เลยสัมภาษณ์ก็ไม่ได้นะสัมภาษณ์ไม่เป็นนะก็เลยต่หลัง นึกขึ้นนะว่าเอ๊ถ้าจิตออกไปข้างนอกแล้วเจอเทวดาเราไม่กลัวนะถ้าไปเจอผีคงจะกลัวกลัวผีหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีมากๆเลยตอนเด็กๆขนาดลูกแมวในบ้านตายนะกลางคืนยังไม่กล้านอนนะกลัวผีแมวมาเข้าฝันกลัวขนาดนี้ก็เลยกลัวผีไม่กล้าส่งจิตออกไปข้างนอกกลัวจะไปเห็นมันเข้างั้นเวลาหายใจนะจะไม่ให้เคลิมแล้วต่อไปนี้หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึก ฝึกอยู่เรื่อยเลยนะใจใหายใจไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆที่ก็ยังไม่เห็นผลอะไรหรอกนะวันหนึ่งตอนนั้นอายุสิบขวบบ้านเป็นตึกแถวนะบ้านเป็นตึกแถวไปเล่นอยู่หน้าบ้านหน้าตึกแถวแหละเห็นไฟมันไหมนะ้ข้างๆตึกแถวแถวเดียวกันแลหละห่างออกไปหลายห้องหน่อยแต่ไม่ไกลามากพอตกใจท่านนั้นลุกขึ้นวิ่งเลย วิ่งจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ข้างบ้านวนะิ่งก้าที่1 9ก้าที่สองก้าที่สไม่เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไปเห็นจิตที่ตกใจเขาเพรามันจิตมันไปเห็นจิตที่ตกใจสติระลึกรู้จิตที่ตกใจนะความตกใจขาดสะบั้นลงตรงนั้นเลยพอนะความตกใจหายไปแล้วนะี่ใจมันก็ตื่นขึ้นมาแต่เราเด็กเล็กนะเราไม่มีครูบาอาจารย์เราไม่รู้หรอกว่าทางเดินต่อมันอยู่ตรงนี้เอง ก็เสร็จแล้วก็เดินนะเดินใจเย็นๆไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้ก็ดูคนอื่นเขาวิ่งแล้วครับนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเราเป็นคนดูเฉยๆไม่ตื่นเต้นไม่อะไรจิตสงบจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อย่างนี้แต่อยู่ไม่นานนะก็าหายไปแล้วก็ลืมอีกเนี่ยเราขาดครูบาอาจารย์นะก็เลยเสียโอกาสทั้งๆ ท, ง ท, ง ท, งที่จิตมันถอดถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล ไม่รู้วิธีเดินต่อไม่รู้วิธีเดินปัญญาก็กลับไปทำสมาธิต่ออีกทำไปเรื่อยๆนะจนอายุย2่บ้าลวปี2525 25, ต้นเดือนกุมภาหกคุณมิหภามากราบหลวงปู่ดุลทีแรกรู้จักท่านรู้จักแต่ชื่อตอนนั้นไปซื้อหนังสือหนังสือเล่มเดียวกับที่ท่านพระอาจารย์สุจินอ่านเลย เป็นหนังสือที่วัดสัมพันธวงศ์เขาพิมพ์ให้มาเป็นทำรรเนียบหลวงปู่แหวนทำเนียบรุ่นหลวงปูแ่แหวนเราอุตส่าห์ไปหาเหรียญหลวงปู่แหวนมาได้เหรียญ น, นึงนะมีเหรียญเดียวแหละอยากดูทำเนียบรุ่นแล้วไม่ใช่พอมีเยอะอะไรเอามาตัวนะแล้วก็ข้างในเขาเหลือพื้นที่อยู่นิดหนึ่งตอดท้ายๆแล้วเขียนธรรมะบอกจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุ ท, ทยัยนะผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธมีบทหนึ่งนะท่านบอกอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกไม่ใช่จิตไม่ส่งออกนอกนะนี่จิตส่งออกนอกแล้วพอไปรับอารมณ์แล้วก็เพื่อมบั่นไหวเป็นสมูทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพื่อมบันไหวนั่นแหละเป็นทุกข์ถ้ามีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะถึงส่งออกนอกให้กระเพื่อมบันไหวก็ไม่ทุกข์นะ โดยเนื้อหาสาระเป็นอย่างนี้ลงท้ายลงชื่อว่าพระรัตนกรวิสุทธิ์แล้วก็สนใจนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชหรอกสนใจ อ, องค์นี้สอนแปลกทําไมสอนเรื่องจิตไม่เคยได้ยินได้ยินแต่พุโทโธพิจารณา ก, กายนะก่อนหน้านั้นก็เคยพุโทโธพิจารณากายอยู่ด้วยแหละนะเวลามาดูร่างกายนะดูผมลงไปเนี่ยผมก็หายไปเลย เห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็หายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกนะหัวกะโหลกก็หายไปเหลือแต่ตัวนี้ดูทั้งตัวนะมันระเบิดนละตัวหายไปหายไปแล้วไม่รู้จะเดินต่ อ, อยังไงแล้วก็เลยโอ้ภาวนาอย่างนี้ใช้เวลาไม่นานนะนาทีเดียวเองแยกตัวเองออกไปหมดแล้วแล้วก็เริ่มเดินต่อไม่เปลี่ยนออกแล้วใจมันรู้สึกว่าดูกายเนะี่ยมันคับแคบ ไม่ค่อยสนุกเลยทุกวันมาดูผมมันก็เหมือนๆกันยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันต้องอดทนนะดูแล้วดูอีกตอนนั้นเด็กก็ใจร้อนไม่ชอบใจไม่ชอบดูดูไกลนี้พอมาอ่านธรรมะของครูบาอาจารย์นะพระรัะตนากรมิสุทธนะ์ตอนนั้นจริงๆท่านไม่ใช่รัตนากรมิสุทธ์ละมัเป็นราชุทธธาจารย์ละ ก็เที่ยวไปถามคนอื่นเขาว่ารู้จักไหมพระรัตนกรีิสุดธนี่คือใครอยู่ที่ไหนอะไรนีก็คนเขาก็บอกให้หลวงปู่ดูลนะอัตุโลเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟัน่นได้ยินอย่างนี้นะถอดใจแล้วหลวงปู่ฟั่นยังไม่อยู่แล้วเลยะอาจารย์ของท่านจะอยู่ได้ยังไงนะักคดิดอย่างนี้เสียดายว่าโอ้เราไม่มีวาสนานะเราเจอครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะถึงอกถึงใจจริงๆ พออ่านธรรมะของท่านนะ่ยมันรู้เลยว่าถ้าใจไม่ทุกใครจะทุกข์นะถ้าใจมันไม่ทุกข์สัอย่างเดียวใครมันจะทุกข์อ่ถ้าใจมันทุกข์หรอกมันถึงจะทุกข์ขึ้นมาเนะี่ท่านบอกให้ให้ถ้ามีจิตเห็นจิตอย่างแจม่มแจ้งนะีเป็นมรรคผนที่จิตเห็นจิตอย่างแจม่มแจ้งเป็นนิโรธ น, นิโรธเป็นพ้นทุกข์เนี่ยดับทุกข์เนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจะดูยังไงนะก็เสียดายเฉยๆแหละอยู่มาอีกกือบปีมั้ง คนเขาบอกว่าท่านยังอยู่นะก็เลยมาสุลินเลยนะมาเรียนกับท่านตอนที่มา น, นปี25แล้วท่านมาอยู่กุฏิใหม่เข้าไปกราบท่านบกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติท่านก็สอนในการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนอย่างนี้แต่ก่อนจะสอนเนี่ยท่านแปลกอย่างนะ เราไปถามกรรมฐ า, านเนี่ยแทนที่ท่านจะสอนเลยท่านไม่สอนหรอกท่านนั่งหลับตาเงียบเงียบไปเกือบชั่วโมงนะตอนนั้นเราก็เด็กหน้าไรเดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เราก็นึกนะเรามาตอนเช้าเนี่ยหลวงปู่เพิ่งฉันข้าวเสร็จเรามาถามกรรมฐ า, านนะท่านออกมานั่งก็ยิย้มย่กเราถามท่านท่านหลับไปแล้วคิดว่าโอ้ท่านอายุเยอะท่านคงหลับไปความจริงท่านคงสอบประวัติเราว่าเคยทํากรรมฐ า, านอะไร ครูบาอาจารย์ระดับนี้ผลวงพ่อไม่เคยเห็นองค์ที่สองนะที่ชี้ขาดได้ว่าคนนี้ให้ภาวนาอย่างนี้คนนี้ให้ภาวนาอย่างนี้นะอย่างท่านอาจารย์สุจินท์นะหลวงปู่ดูลบอกให้สลายกายเข้าสู่จิตนะเนี่ยท่านยังอยู่นะสงสัยอะไรก็ไปถามท่านนะท่านก็เพชรน้ำหนึ่งเหมือนกันนะ <c oughs> นี่พอหลวงปู่ท่านสอนนะบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติฝังตัวนี้ก็มีกาลังใจนะไม่ยาก ยากเฉพาะคนที่ไม่ทำและคนทําไม่ยากอวิธีปฏิบัติที่ท่านสอนท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านให้อ่านจิตตนเองนะท่านบอกถ้าเราใครอ่านจิตตนเองวันหนึ่งเราจะรู้รู้ทันจิตนะจิตแท็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเมื่อไหร่มันก็ผลทุกเมนานแหละท่านสอนสอนอริยสัจแห่งจิตนั่นแหละเสร็จแล้วท่านถามเข้าใจไหมเรากําลังปลื้มนะเว่าท่านสอนเราแล้ว ลืมเข้าใจครับเข้าใจแล้วไปทำเมากราบลาท่านเลยนะกราบลาขึ้นรถไฟไปขึ้นรถไฟพอรถไฟมันออกจากสถานีสุรินทร์ตกใจนะหลวงปู่บอกให้ดูจิตตัวเองให้อ่านจิตตนเองจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รูนะ้จะเอาอะไรไปอ่านมันก็ไม่รู้รวมความเราไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะตกใจนะตกใจขึ้นมา พอตกใจขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อทำตอนนั้นนะกลับไปพุโทโธกลับไปหายใจใหม่นี่เป็นหลักของการปฏิบัตินะถ้าวันใดเวลาใดพวกเราดูจิตดูใจได้ให้ดูจิตไปเลยนะเพราะจิตนั้นเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมทั้งหลายำทำทั้งหลายสาเร็จด้วยจิตด้วยใจนี่เองจะกุศลหรือจะอกุศลหรือจะมักจะผลอะไรก็ตามนะ้เกิดที่จิตนี่แหละ แม้ถ้าเราดูจิตดูใจได้ดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายเอาไว้เพราะกายเป็นบ้านของจิตจิตเป็นเจ้าของบ้านเราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเรามาดูบ้านคอยเฝ้าบ้านไหมวันหนึ่งก็ต้องเห็นเจ้าของบ้านนนี่ถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะไว้ทําความสงบจิตไว้พุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆนะหรือจะรู้ลมหายใจก็ได้ทําไปเรื่อยพอจิตใจมันมีความสุขมีความสงบนั่นจะมีแรงกลับเข้ามาดูจิตดูใจได้อีก นี่หลวงพ่อพอรถไฟเป็นวิ่งนะตกใจแล้วเราจะดูยังไง ร, รีบพุโทโธหายใจแบบนะพุทโธไปหายใจไปนะพุโทโธใจหายใจไป พ, จจไปพอจิตใจสงบแล้วก็ามาคิดนี่คิดนะเอย่าไ่ขึ้นมีปัชนาแท้หรอกคิดพิจารณาเลยว่าหลวงปู่ให้อ่านจิตตนเองจิตเนี่ยต้องอยู่ในร่างกายนี้แหละจิตไม่อยู่เกินร่างกายนี่ออกไปใช่ไหมจิตไปอยู่ตามต้นไม้ได้ไหมได้ได้นะ ตามต้นไม้ก็มีจิตนะแต่ไม่ใช่จิตของต้นไม้จิตไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าบ้านของมันคือกายเนี่ยอย่าดูออกนอกอย่าให้เกินกายออกไปนี่ก็เป็นหลักปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะข้อที่หนึ่งเห็นไดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ดไไดทําความสงบไหมนี่ข้อที่หนึ่งนะเสร็จแล้วก็มาหัดดูนะดูค่อยๆสังเกตไป ค่อยดูไปเรื่อยๆพอรถไฟมันไปจะถึงหัวลําโพงแล้ค่อยๆสังเกตเห็นนะว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนระอนกันจิตกับอารมณ์ก็คนละอันกันเ น, นี่ยมันไปแยกออกมานะจิตมันแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้พอจิตมันแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะนึกขึ้นได้เลยสภาวะอันนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อตอนสิบขวบตอนที่ไฟไหม้ข้างบ้านนั่นแหละ คือภาวะที่จิตมันถอด ถ, ถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดู น, ะนึกโอภาวนานะเสียเวลาตั้งนานนะเสียเวลาไป19ปีนะลืมจิตผู้รู้ผู้ดูไปเสียจแล้วมันกลับมาสู่จุดนี้แต่ว่าพอจิตมันแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแนละมันอยู่ได้แว บ, บเดียวนะมันก็ไหลเข้าไปเกาะกอารมณ์อีกนะจิตกับอารมณ์เข้าไปรวมกันอีก ไม่แยกแล้วจิตกับกายก็รวมกันนะจิตกับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกก็รวมกันจิตกับกุศลอกุศลก็รวมกันมันรวมเข้าด้วยกันอีกแต่เรารู้แล้วว่ามันแยกได้หัดแยกทุกวันเลยนะหัดทุกวันพยายามทำไงมันจะแยกออกจากกันได้ทำยังไงไงมันก็ไม่แยกนะพยายามอยู่อาทิตย์หนึ่งเจวันที่พยายามทาไงจิตจะถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้อีกไม่ยอมถอน ถึงวันที่7เนี่ยมันหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำไงช่างมันถอะไม่ถอนก็ช่างมันนะจะถอนก็ช่างมันพอเราหมดความอยากหมดความจงใจนะจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอีกแต่ยังจับหลักไม่ได้พอถอนออกมานะก็พยายามประคองเอาไว้อีกรักษาจิตผู้รู้เอาไว้มันอยู่ได้สักไม่กี่นาทีนะแต่นานกว่าเก่าก็เข้าไปรวมอีกจิตอารมณ์ไหลเข้าไปรวมกันอีก ก็หัดอีกรู้แล้วต้องหัดไปเรื่อยๆคราวนี้หัดไป5้าวันนะก็หลุดออกมาอีกอนะไรเนีค่อยๆใช้เวลาน้อยลงน้อยลงฝึกอย่างเงี้ยฝึกจนทั้งเราจับหลักได้ว่าถ้าเราอยากเนะี่ยไม่ได้หรอกแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้ก็มีความอยากไว้ก่อนเบื้องต้นก็ต้องมีความอยากปฏิบัติไว้ก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปนะคอยตามรู้ตามดูมไปจิตไหลเข้าไป ก, อก่อารมณ์ก็รู้นะค่อยๆดูค่อ ย, ๆ, อยๆแยกไปเรื่อย ตอ น, นที่หมดความจงใจนะพอหมดความจงใจไม่ใช่ถอดออกมาเป็นผู้รู้ผู COVID ้ดูนี่ยได้ union, Built <v ore use> หลักได้หลักละพอได้ห <burnout> ลักแล้วเนี man. ่ยใช้เวลาสามเดือนดีใจนี่หลวงปู่บอกให้ดูจิตเราเจอจิตแล้วรีบมาสุรินเลยมากราบหลวงปู่หลวงปู่ครับผมเจอจิตแล้วจิตเป็นยังไงว่าจิตนัะเดี๋ยวมันก็กาะอารมณ์เดี๋ยวมันก็แยกออกมานะเดี๋ยวมันเป็นอย่างโน้นเดี๋ยวมันเป็นงี้เดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้าย เนี่ยผมคอยแก้ตลอดเลยเวลาจิตมีกิเลส น, นะเราคอยแก้จิตเข้าไปเกาะอารมณ์เราคอยแก้จนจิตมันถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นึกว่าหลวงปู่จะชมนะหลวงปู่ไม่ชมเลยหลวงปู่บอกว่ายังไม่ได้ดูจิตเลยนั่นเป็นหลงกับอาการของจิตไปแก้อาการของจิตท่านบอกว่าท่านให้อ่านอ่านจิตตนเองเหมือนเราอ่านหนังสือท่านไม่ได้ให้ไปแก้หนังสือ หนังสือเป็นยังไงเราก็อ่านไปตามนั้นนะ่ะหนังสือถึงบทรักเราก็รู้ว่ารักหนังสือถึงบทโกรธเราก็รู้ว่าโกรธมันถึงบทไหนบทเศร้าเราก็รู้ว่าเศร้าไปงานของเรามีแค่ตามรู้มันไปนเรื่อยๆนะไม่ใช่พยายามรักษาจิตเอาไวนะ้พยายามรักษาจิตประคองจิตให้นิ่งให้ว่างรักษาไว้ตลอดเวลานะจนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็รักษาอยู่อย่างนั้นนะ่ะ การที่เราคอยประคองคอยรักษาไว้เนะี่ยมันจะไม่เดินปัญญาจริงการเดินปัญญานะั้นพวกเราต้องจําหลักไว้นะการจะเดินปัญญาได้เนี่ยทิ้งการพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ไดนะ้ถ้าเราไม่รู้จักการแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปนะเป็นส่วนสแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนส่วนถ้าเราแยกไม่เป็นนะอย่าพูดเรื่องเดินปัญญาเลยไม่เดินปัญญาจริงหรอกนะนี่ท่านบอกให้อ่านกลับมาบ้านนะกลับไปกรุงเทพ ท่านให้อ่านต่อไปนี้เราไม่เข้าไปแทรกแซงจิตนละ้จิตเป็นยังไงจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้หลักตัวนี้ไปจากท่านนะทําผิดอยู่3มเดือนมัวแต่ประคองรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างคิดว่าถ้าจิตนิ่งจิตว่างแล้ววันหนึ่งมันจะดีความจริงมันก็เหมือนกับสมาธิที่เคยทํานั่นแหละเพียงแต่แต่ก่อนตอนเด็กๆนะ่ะรู้ลมหายใจแล้วจิตนิ่งจิตว่างก็ว่าดีนะพอมาหาดัดดูจิตดูใจเข้าดูไม่เป็นจิตว่างๆขึ้นมานะก็ว่าดีอีกเห็นไม้มดูลมหายใจหรือดูกายนะ ก็ทําสมถะได้ดูจิตก็กลายเป็นสมถะได้นะดูจิตไม่ใช่วิปัสนาเสมอไปหรอกมันอยู่ที่ว่าดูแล้วเป็นยังไงถ้าดูแล้วรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างไว้นะก็ไม่ใช่วิปัสนาหรอกแต่ถ้าดูแล้วก็เห็นจิตมันเกิดแล้วก็ดับไปจิตมันเกิดแล้วดับไปนะจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตชั่วเกิดแล้วดับการดูจิตดูใจนะไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราเนื้อตลบพวกเรารู้อยู่แล้ว รู้จักอารมณ์ทุกชนิดอยู่แล้วความสุขพวกเราก็รู้จักใช่ไหมมีใครไม่รู้จักความสุขบ้างรู้จักความสุขไหมรู้จักความทุกข์ไหมรู้จักโลภไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักหลงไหมรู้จักใจลอยไหมรู้จักกลัวรู้จักอิจฉารู้จักกังวลไหมรู้จักดีใจรู้จักเสียใจไหมนี่เรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างนะความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจเราพวกเรารู้ได้อยู่แล้วแต่เราลเลยที่จะรู้ หลวงปู่ถึงสอนไงว่ามันไม่ยากหรอกสาหรับผู้ปฏิบัตินะไอคนที่ไม่ปฏิบัตินะฮะก็จะบ่นอยู่นั่นแหละ ว, ว่าการปฏิบัตินั้นยากชิด ท, ที่จริงแล้วไม่ได้ยากอะไรเพราะเรารู้ของที่เรารู้อยู่แล้วเรารู้จักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความโกรธเกิดขึ้นในใจเราก็รู้เร็วๆหน่อยรู้สดๆร้อนๆเพราะมันโกรธขึ้นมาก็รู้ทันมันเลยนะมันโลบขึ้นม า, านก็รู้ทันมันมันหลงขึ้นมาใจลอยฟุ้งซ่านไปก็รู้ทันมันหดหู่ลงมาก็รู้ทัน มันลังเลสงสัยก็รู้ทันนะมันสุขมันทุกข์คอยรู้ไปด้วยความรู้สึกใดเกิดขึ้นสดสดร้อนๆหน้าที่เรามีสติตามรู้ไปเท่านั้นเองเนี่ยหลักของการเดินปัญญาด้วยการดูจิตนะแต่มันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งเดินปัญญาด้วยการดูจิตอยู่ในชีวิตประจำวันอีกส่วนหนึ่งเข้าสมาธิเวลาทาสมาธิเราก็ไม่ได้ปล่อยให้ใจนิ่งๆว่างๆยิ่งใจทำสมาธิเราเคลิ้มเคลมนี้ยิ่งใช้ไม่ได้ใหญ่เลย ต้องทำสมาธิต้องไม่ขาดสติงเนะสมาธิจริงๆพวกเราต้องแยกแยะให้ออกสมาธิมีตั้งสามแบบนะสมาธิแบบแรกเลยที่คนส่วนใหญ่ก็ทํากันนะนั่งเราเคลิ้มเคลิ้มหรือไม่ก็นั่งเราเครียดเครียดพวกเราใครเคยนั่งแล้วเคลิ้มเคลมบ้างมีไหมใครนั่งแล้วเครียดเครียดบ้างมีไหมเนี่ยสมาธิที่พวกเราทำจะเป็นใหญ่นั้นส่วนใหญ่บางทีนั่งเราก็เห็นโน้นเห็นนี่ใครนั่งแล้วเคยเห็นหวยบ้างมีไหมบอกบ้า ง, า ง, างนะ นั่งแล้วเห็นน้นเห็นนี่ไปเรื่อยนะอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรไม่เห็นกิเลสนะเห็นสิ่งอื่นๆนะมีแต่กิเลสมากขึ้นถ้าเห็นจิตเห็นใจตัวเองนะรู้ทันจิตใจตัวเองนัมันลดละกิเลสได้เพราะนะนะสมาธิชนิดที่เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวหรือสมาธิชนิดที่เคร่งเครียดเนี่ยไม่เอาอย่าไปเอาสมาธิอย่างนั้นขาดสติตอนที่เคลิ้มไปนี่ขาดสติตรงที่เคร่งเครียดเนี่ยเร่งเร้าสติมากไปินเพ่งจ้องรุนแรงเกินไปไม่ทําอย่างนั้นหรอก เราลองสมาธิที่สองดูนะสมาธิอีกอย่างหนึ่งสมาธิที่ใจมันสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เป็นสมาธิที่ใช้ทําสมถกรรมฐานเวลาที่เราต้องการความสงบสมถากับวิปัสสนาไม่เหมือนกันสมถานี่ทำไปเพื่อให้จิตใจมีความสุขมีความสงบมีความดีแต่วิปัสสนากรรมฐานนั้นทําไปเพื่อให้จิตใจเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจของรูปของนามนัคนละแบบกัน สมาธิก็มี2แบบสมาธิที่ใช้ทําสมรถะกับสมาธิที่ใช้เจริญตัญญาคนละแบบลักษณะของสมาธิจะไม่เหมือนกันตรงนี้หลวงปู่เทศนอกจากหลวงปู่ดูลแล้วหลวงพ่ อ, อยังไปหาหลวงปู่เทศด้วยหลวงปู่เทศสอนสมาธิ2ชนิดเนี้ยอันนึ่งท่านเรียกว่าจิตอันนึงท่านเรียกใจนะบอกว่าจิตกับใจไม่เหมือนกันจิตเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอีกอันหนึงที่ท่านสอนคือเรื่องฌานกับสมาธิ ฌานเนี่ยเราเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิเนี่ยตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตที่เข้าไปเพ่งตัวอารมณ์นะเช่นเรารู้ลมหายใจจิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจนะีอันนี้เป็นสมาธิที่ใช้ทําสมะถะกรรมฐานอย่างบางคนดูท้องพองยุบดูท้องพองยุบไม่จําเป็นต้องเป็นวิปัสสนาเหมือนอย่างดูจิตก็ไม่จําเป็นต้องเป็นวิปัสสนา ถ้าเราดูท้องผ่องยุบแล้วเราไปเพ่งอยู่ที่ท้องนะจิตแนบอยู่ที่ท้องจิตสงบอยู่ที่ท้องอันนี้เป็นสมถะกรรมฐานไปดูจิตแล้วก็เพ่งจิตให้จิตนิ่งจิตว่างอยู่อันนั้นก็เป็นสมถกรรมฐานงั้นถ้าเมื่อไหร่นะจิตมันไปแนบมันไปสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวอันนั้นเราทำสมถะกรรมฐานอยู่ถ้าในภาคปริยัตเนี่ยสมาธิชนิดนี้เขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์ เ, เพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งจิตเพ่งใจนะเพ่งความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อนะไเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องการทาสมถะจิตจะสงบวิธีมันมีเคล็ดลับถ้าเราอยากฝึกจิตให้สงบง่ายๆต้องเลือกอารมณ์ที่เหมาะกับเราเราต้องดูตัวเองว่าเราจิตเราไปอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขนะเราก็เลือกอารมณ์ชนิดนั้นอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆมาเนียหายใจนะรู้ลมหายใจแล้วมีความสุข งั้นเวลาจะทําความสงบนะั้นก็ไปรู้ลมหายใจจิตก็มีความสุขเพราะจิตมีความสุขจิตจะสงบเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละพวกเราบางคนทําสมาธิไม่สําเร็จเลยนะพเพราะไม่รู้เคล็ดลับเคล็ดลับของการทําความสงบจิตนะอยู่ที่ต้องเลือกอารมณ์ที่สบายนะจิตยอยู่ในอารมณ์ที่สบายแล้วจิตจะไม่สุกสนไปหาอารมณ์อื่นจิตของเราที่ฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะว่ามันหิวอารมณ์มันอยากได้อารมณ์วิ่งตะครุบอารมณ์โน้นทีวิ่งตะครุบอารมณ์นี้ทีไม่สงบ แต่ถ้าเราเอ า, เอาอารมณ์ที่จิตพอใจมาลอกจิตก็คล้ายๆเด็กนะศซุก ส, ส, สนเอาขนมไปลอ่อเด็กคนนี้ชอบกินไอติมเอาไอติมไปลอ่อเด็กมานั่งกินไอติมอยู่เด็กไม่ไปสนนั้นระหว่างที่กินไอติมเนี่ยไม่สนเด็กอีกคนนึงชอบกินอย่างอื่นเราก็หาของอยากอย่างที่มันชอบไปให้เด็กก็ไม่สนไปที่อื่นจิตนี้ก็เหมือนกันเราต้องเลือกอารมณ์ที่จิตชอบ คนไหนชอบพุโทโธก็พุโทโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนชอบดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปมันเหมือนกันหมดอ่ะไม่ดีไม่เร็วต่างกันหรอกนะเหมือนๆกันเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์ที่ชอบใจจิตจะไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์อื่นจิตจะแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวเพราะจิตแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวนะมันจะได้ความสงบขึ้นมาเห็นไหมเคล็ดลับของการทําความสงบอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์ที่สบายอย่าไปเลือกตามคนอื่น ไม่ใช่ว่าเพื่อนเราเข้าวัดด้วยกันนะเข้าพุทโทแล้วเขาดีเราพุโทโธแล้วจะต้องดีด้วยไม่จําเป็นหรอกแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันเราต้องดูของตัวเองว่ากรรมฐานอะไรที่เหมาะกับตัวเราเองแล้วก็ไม่เลือกตามอาจารย์ด้วยไม่ใช่อาจารย์ของเราทําแบบนี้เราก็ต้องใช้อารมณ์อย่างนั้นนะไม่จําเป็นหรอกทางใครทางมันนะเรื่องของกรรมฐานนิดอีกลักษณะหนึ่งของสมาธินะคือสมาธิที่ใช้เดินปัญญา ในทางปริยัติเนี่ยเขาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานหมายถึงว่าจิตเนี้ยตั้งมั่นเห็นลักษณะคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนะถ้าเราไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่วิปัสนาถ้าเราคิดเรื่องไตรลักษณ์คิดว่ากายเป็นไตรลักษณ์ใจเป็นไตรลักษณ์ก็ยังขึ้นไม่ถึงวิปัสนา ครูอาจารย์อีกองหนึ่งของหลวงพ่อนะคือหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธ ท, ท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเหมือนกันท่านมากราบกันด้วยนะหลวงพ่อพุธ ท, ท่านก็โอ้มันดับไปเฉยๆหรองั้นไม่เล่าเรื่องหลวงพ่อพุธเทศถึงไหนแล้วอ๋อหลวงพ่อพุธ ท, ท่านเคยสอนอย่างนี้นะคือหลวงพ่อจะบอกให้อิตาเนี่ยทําให้สมาธิเราแตก อยู่นิ่งๆนะเคลื่อนะนไปเคลื่อนมานะสมาธิเสียตอนหลวงปูดุลสิ้นนะคือนิมนต์จันมหาบัวมาเทศที่นี่นะพอท่านเริ่มขึ้นเทศแนละ้วถ่ายรูปกันปั๊บท่านก็หยุดเลยเดี๋ยวท่านเทศใหม่ครั้งที่สองถ่ายรูปปั๊บหยุดนะครั้งที่สามท่านด่าเลยท่านด่าเลยท่านบอกว่าทํามะของท่านดับไปสามกันแล้ว หลวงพ่อพูทัานสอนดีนะท่านบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดเริ่มเมื่อหมดความคิดนะถ้ายัางคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาบางทีครูบาอาจารย์เรื่องวิปัสสนึกโดยซ้ำไปแต่เบื้องต้นบางคนต้องนึกก่อนบางคนหัดภาวนานะพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแลเนี่ยจิตมันเฉยเฉยอยู่มันไม่ยอมเดินปัญญาไม่ยอมมาดูกายดูใจไม่ยอมแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นต้องช่วยมันคิดก่อน เหมนอย่างที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ท่านทำนะท่านทําพุทโธแล้วก็มาพิจารณากายอนี้เป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาถูกไหมถูกนะนี่พอจิตมันเคยเดินปัญญามันเคยดูกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาดูจิตดูใจว่าเคยคิดพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพอภาวนาไปพอจิตสงบปั๊บนะมันดูเองเลยว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงที่มันดูเองเนี่ยมันขึ้นวิปัสสนาจริงๆ แต่เบื้องต้นก็ต้องคิดพิจารณาก่อนสําหรับบางคนแต่บางคนไม่ต้องเลยพอจิตตั้งมั่นขึ้นมานะมันแยกธาตุแยกขันธ์มันดูของมันเลยนะอย่างบางคนนะพอพอพุโทโธพุโทโธหายใจไปนะจิตขึ้นมาเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจอยู่เห็นเองเลยกายกับจิตนี่แยกออกจากกันเลยนะพวกนี้ไม่ต้องคิดมากลนะไม่ต้องคิดว่ากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะมันจะเห็นทนโทษต่อหน้ า, ต, นาต่อตาเลยนะว่าว่าร่างกายนะมันไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่ยืนเกิดแล้วดับร่างกายที่นั่งที่นอนที่เดินเกิดแล้วดับหมดเลยจิตใจที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ชั่วเกิดแล้วผดับหมดเลยจิตที่ไปรู้รูปทางตาไปฟังเสียงทางหูไปคิดทางใจเกิดแล้วก็ดับอีกนี่บางคนมันเป็นเองนะแต่ถ้าไม่เป็นเราก็ต้องช่วยมันคิดก่อนไม่ผิดนะถ้าจะช่วยคิดแต่คิดไปเรื่อยๆแล้วจิตไม่ยอมเดินปัญญาแท้ๆนี่ก็ไม่ดีนะ แตเบื้องต้อนอาจจะต้องช่วยคิดงั้นจิตที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยต้องมีสมาธิชนิดหนึ่งที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูนั่นะเราต้องฝึกให้ได้อย่างนี้ในวันนี้ผู้พันนี่ก็ไปถามหลวงพ่อนะไปที่วัดแห่งหนึ่งอยู่กับครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็บอกให้มาถามหลวงพ่อว่าพาวนาทําไมมันไปไม่ได้บนะ อ, อกจิตไม่ถึงฐานนะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ดู จิ Menschen, ke, um, ยังครุกกะอารมณ์อยู่เนี่ยไม่เดินปัญญาเนะี่ยเราต้องค่อยๆฝึกนะอย่างจิตมันถอดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ไม่ยากนะที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูหัดพุทโธไปก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วค่อยๆสังเกตว่าพุทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหรือคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยแล้วก็เห็นมาร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้มันเข้านะฝึกอย่างนี้นะค่อยๆฝึกไป ใครชอบดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปแล้วก็เห็นเลยร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเน่ค่อยๆหาแกยกกายแยกจิตออกจากกันนะต่อไปพอเรานั่งไปนานๆสุดแล้ว น, นั่งสมาธิอย่างเงี้ยทีแรกก็เห็นร่างกายมันนั่งหายใจอยู่นะเราเป็นคนดูจิตเป็นคนดูฝึกมากเข้ามากเข้านะมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็นะดูลงไปอีกความปวดความเมื่อยนะแต่เดิมร่างกายไม่ได้ปวดเมื่อยขายัางไม่เมื่อย ความเมื่อยมาทีหลังเพราะฉะนั้นความเมื่อยกับขานั้นเป็นคนละอันกันนี่หัดแยกนะเรา้เราเห็นความเมื่อยก็ส่วนหนึ่งข า, ขาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนไปรู้ไปดูเข้านี่เราแยกขันแล้วนะร่างกายก็เป็นส่วนของรูปความปวดความเมื่อยเป็นส่วนของเวทนาจิตเป็นส่วนวิญญาณขันเป็นตัวรู้นะเป็นคนรู้พอจิตร่างกายเจ็บปวดมากๆจิตกระสับกระสายใช่ไหมจิตเป็นกระสับกระสายทุรนทุรายขึ้นมา พอจิตกระสับะสายทุรนทุไลขึ้นมาเราก็มีสติรู้อีกเห็นเลยความทุรนทุไยของจิตนัเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุรนทุไยนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่ค่อยๆหัดแยกตัวความทุรนทุไลเรียกว่าสังขารขันเป็นสังขารค่อยๆหัดแยกนะแยกลงไปเรื่อยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขรู้สึกทุกรู้สึกปวดรู้สึกสบายอะไรเนี่ยส่วนหนึ่ง จิตใจที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเนี่ยส่วนหนึ่งธรรมชาติที่รู้นะจิต ท, ที่เป็นผู้รู้เป็นคนดูเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เราต้องหัดอย่างนี้นะหัดแยกไปเรื่อยหลวงพ่อก็หัดมาอย่างนี้แหละเนี่ยวันนี้ท่านอาจารย์สุจินท่านบอกให้หลวงพ่อเล่าว่าวิธีปฏิบัติที่หลวงพ่อ ท, าทอํามาทํำยังไงนะแม้วิธีปฏิบัติเริ่มมาตั้งแต่ทําความสงบทนะางความสงบนะต่อมาก็ ฝึกไปเรื่อยจิตมันถอยออกมาเป็นคนดูได้กนะว่าจะจับหลักได้นะว่าต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะเสียเวลาอยู่ตั้งนานนะตอนสิบขวบเนี่ยจิตเคยขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ลืมมันไปอีกนะจนอายุ29่ามาเจอหลวงปู่ดูลแล้วท่านบอกให้ดูจิตนะเราก็เห็นจิตนะแล้วก็เห็นกายกับจิตเป็นคนละอันกันค่อยๆแยกนะเห็นกายกับจิตก็เป็นคนละส่วนเห็นความปวดความเมื่อยกับร่างกายกับจิตก็เป็นคนละส่วน เห็นกูส น, นกูศลที่เกิดขึ้นในจิตกับจิตก็เป็นคนละส่วนกันนะคัดแยกแยกแยกแยกันไปจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตนัแหละเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจถ้าถ้าจิตไปทําหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งหลวงปู่เทสท่านเรียกว่าจิตนะั่นเราฝึกจนได้ใจใจไม่จะรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางเราฝึกนะฝึกให้ได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดู แล้วเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายตามที่มันเป็นเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใ จ, จตามที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดตรงที่ปัญญามันเกิดนี่เป็นความเข้าใจปัญญาเป็นตัวความเข้าใจปัญญาจะเกิดได้อาศัยเครื่องมือสองตัวคือสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเนื้อรู้สึกด้วยสติ มีอะไรแปลกปลอมขึ้นในร่างกายนะสติเป็นคนรู้มีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตใจสติเป็นคนรู้เครื่องมือตัวที่สองคือสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในขณะที่จิตไปรู้ร่างกายเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ถลำลงไปจมอยู่ในร่างกายในขณะที่ไปรู้เวทนาจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ถลำไปจมอยู่กับเวทานาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะเวลาเห็นกุศลอนกะุศลเกิดขึ้นจิตต้องไม่ถลา ลงไปอยู่ที่กุศลอกุศลบางคนนะไม่ใช่บางคนที่ไหนหลวงพ่อเองแหละแต่ก่อนพอเห็นกิเลสนะไปดูใส่มันนะไปจ้องไว้คิดว่าดูจิตความจริงไปดูกิเลสไม่ได้ดูจิตนะจิตมีความโลภอยากจะดูกิเลสให้ชัดแต่ไม่เห็นเลยว่าจิตมีความโลภนะยังนึกว่าดูจิตอยู่นะที่แท้ไปดูกิเลสออกกิเลสไม่ใช่จิตนะแต่จิตมันมีความโลภขึ้นมานักิเลสแอบมาอยู่ในจิตยังมองไม่เห็นเลยนะเช่นความโกรธมันเกิด ข, ขึ้นมานะเราไม่ชอบความโกรธ เราไปจ้องเมื่อไหร่มันจะดับนะไปจ้องใส่ตัวความโกรธเราอยากให้มันดับตัวนี้โทสะนะมีใจมันไม่ชอบนะอยากจะดีอยากจะไม่โกรธตัวนี้โลภนะอยากจะมีความสุขความสบายเนี่ยกิเลสมันซ่อนอยู่ในใจเราไม่เห็นนะ่ะเราเอาจิตที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกิเลสนี่แหละไปเจริญปัญญาไม่มีทางเจริญหรอกนะดังนั้นเต้องรู้ทันจิตจริงๆเลยอย่างหลวงพ่อเคยพลาดดูจิตอยู่ ดูแล้วมันหนีลงไปนะหนีลงไปลึกๆกๆลึ ก, ล, กลงไปเรื่อยเราตามไปดูตามไปกะจะต้องดูไปให้ถึงที่สุดเลยมันอยู่ที่ไหนต้นตอมันอยู่ที่ไหนนั่นะดูเขาไปอยู่ข้างในลึกเลยตอนนั้นหลวงปู่ดูลท่านสิ้นไปแล้วและดูอยู่อย่างนี้นานวันหนึ่งมีบุญนะได้เจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิหนะ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่จิตเปรียวมากเลยพอท่านเห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านบาผู้รู้ผู้รู้ ท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะท่านเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่เราฟังเรางงหลวงปู่ดูลบอกอย่าออกนอกหลวงปู่สิมบอกให้ออกมาข้างนอกมานั่งสังเกตทําไมหลวงปู่สิมมาให้ออกนอกนี่แท้จิตเราหลงเข้าไปข้างไหนหลวงปู่ดูลไม่ได้บอกให้ส่งในนะท่านบอกอย่าส่งนอกไม่ได้แปลว่าจงส่งเข้าไปข้างในนะเราคิดเองเราทําผิดเองนั้นเราไม่ไม่เข้าข้างในไม่หลงไปข้างนอกไม่เข้าไปข้างในอยู่กลางกลาง นี่บางทีนะมดูดูจิตใจอยู่มันเคลื่อนออกไปแทนที่มันจะเคลื่อนเข้าข้างในมันเคลื่อนออกไปข้างนอกไปอยู่ข้างหน้านะแล้วมันดับลงไปใจไปว่างอยู่ข้างหน้าคราวนี้มีแต่ความสุขทั้งวันเลยมีความสุขนะผ่านไปเป็นปีเลยนะมีแต่ความสุขอ่ะทุกวันมีแต่ความสุขเดินไปไหนนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะเห็นนกกระจอกอยู่ฝูงนึ่งนึกอยากแย่แกล้งมันเล่นอ่ะกระโดดเข้าไปกลางฝูงมันมันไม่บินหนีนะมันหันมามองด้วยความสงสัยว่ามาทำไมวะนะ มันคงสงสัยนะแต่มันไม่กลัวนะใจเรามีความสุขสบายสบายเนี่ยสบายอยู่อย่างเงี้ยเป็นปีเลยไปเจออาจารย์มหาบัวเจออาจารย์มหาบัวไปถามท่านอนะ่ะถ้าอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตมาเรื่อยๆรื่นะทำไมมันไม่พัฒนามันติดอยู่แค่นี้แหละมีแต่ความสุขท่านบอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วตอนะดูไม่ถึงจิตนะเราไปดูอะไรโลง่ลงๆว่างๆอยู่ข้างนอกเนี่ย งั้นดูจิตนะผิดได้หลายอย่างนะดูจิตไม่ดีนะมันดูไม่ถึงจิตออกนะเช่นจิตมีกิเลสแฝงอยู่ก็ไม่เห็นนะจิตถลำลงไปลึกๆนะส่งจิตไปดูไม่รู้ว่าส่งจิตไปดูนะหมดจะเที่ยวไปดูของอื่นนะอย่างหลวงพ่อจะดูดอกไม้เนี่ยจิตหลวงพ่อไปอยู่ที่ดอกไม้เห็นหมดเลยดอกไม้มีสีอะไรมีกี่ดอกอะไรนี่รู้หมดเลยอันนี้ไม่ใช่ดูจิตนี่เราส่งจิตไปดูเราหลงไปเรียบร้อยลล้วงั้นเวลาดูจิตไม่ใช่ส่งจิตไปดูนะ แต่คือการรู้เท่าทันจิตกิเลสใดๆเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันจิตเกิดปฏิกิริยาต่อความรู้สึกทั้งหลายเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันคอยรู้ทันลงไปด้วยคอยรู้ทันจิตตัวเองอะรู้ทันความรู้สึกรู้ทันปฏิกิริยาต่อความรู้สึกรู้ทันกิริยาอาการของจิตเช่นจิตวิ่งไปดูจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดเราคอยรู้บ่อย การหาดูบ่อยๆเนี่ยต่อไปปัญญามันเกิดนะมัจะเห็นเลยว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับไม่ใช่จิตเที่ยงบางคนสอนว่าจิตเที่ยงพระพุทธเจ้าบอกจิตไม่เที่ยงอนะ่ะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นจิตต้องเกิดดับแน่เลยไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่บอกนะเรานี่เราก็เฝ้าดูไปเราก็จะเห็นเลยเออจิตมันไม่เที่ยงจริงหรอกจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราว จิตโลภก็อยู่ชั่วคราวจิตโกรธก็อยู่ชั่วคราวมีไหมโกรธแล้วไม่หายไม่มีหรอกนะเะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะจิตทุกชนิดนะ่ะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยการที่เรามีปัญญาเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนะนี่แหละคือตัวปัญญาจริงๆเวลาปัญญาแท้ๆเกิดเนี่ยมันไม่ใช่รู้แค่ว่าจิตโลภเกิดแล้วดับจิตโกรธเกิดแล้วดับไม่ใช่รู้แค่นี้แต่มันเกิดความรู้รวบยอด มันรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นทุกสิ่งนั่นแหละที่เกิดขึ้นนั่นแหละดับทั้งสิ้นเลยนะงั้นการที่เราหัดดูจิตดูใจตัวเองเนี่ยไม่ใช่รู้แค่จิตนะต่อไปร่างกายเราก็รู้นะร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันรู้สึกหมดเลยเพราะอะไรเพราะจิตมันทํางานได้บางทีอาศัยกายอาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยร่างกายไปกระทบสัมผัสอารมณ์แล้วจิตก็เกิดปฏิกิริยานะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศนะลเกิดยินดียินร้ายนะขึ้นมา ดังต่อไปเวลาเราฝึกดูจิตดูใจนะไม่ใช่ดูจิตอย่างเดียวถ้าไปจ้องอยู่ที่จิตอย่างเดียวกลายเป็นการเพ่งจิตอย่าไปเพ่งจิตถ้าเพ่งจิตเป็นสมถะ น, นะเพ่งจิตจะเป็นสมถะเพ่งจิตเวลาดูจิตผิดนะมันจะไปสู่อรูปฌานตายไปเป็ น, ปนอรูปพรมเป็นพรมไม่มีรูปดูหนังดูละครไม่ได้เลยนะเพราะไม่มีตานะจะฟังเพลงก็ไม่ได้นะไม่มีหูทำอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ร่างกายไม่มีเวลาดูจิตผิดนะมันจะผิดสี่แบบ อันที่หนึ่งะไปหลงดูว่างๆว่างๆไม่ใช่จิตเวลาเราส่งจิตไปดูว่างๆเช่นที่เล่าตะเกียรว่าจิตมันเคลื่อนออกไปข้างหน้านะแล้วตัวอารมณ์ที่เคลื่อนออกไปมันดับมันว่างไปหมดเลยเราก็ไปอยู่ในว่างนะมีแต่ความสุขอยู่นั่นเป็ปๆที่ท่านอาจารย์มหาบัวบอกวาดูไม่ถึงจิตละจิตไม่ได้อยู่ข้างหน้านี้ตหักละ เนี่ยถ้าถ้ารู้ทันนะั้นจิตนัดทวนกระแสกลับเข้ามา ต, ต้องตั้งมัน่นจิตต้องตั้งมั่นนะถึงจะเดินปัญญาได้ถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกจิตต้องตั้งมั่นถึงฐานของมันจริงๆนะแล้วสมาธิต้องดีจริงๆงั้นไหลออกไปก็ไม่ได้นะจมลงไปก็ไม่ได้นะประคองนิ่งๆอยู่เฉยๆก็ไม่ได้พอไหลออกไปแล้วไปว่างๆว่าง ๆ, ๆอยู่แล้วจิตไปอยู่ในความว่าง ตัวนี้เป็นสมถะชนิดหนึ่งนะชื่ออากาสานัญจายตนะเป็นเพ่งความว่างเพ่งช่องว่างนะบางคนเพ่งตัวผู้รู้นะเพ่งจิตไม่ใช่มีตัวผู้รู้ซ้อนไปอีกหลวงพ่อเองละ่ะเคยทําผิดไหมเคยทําผิดทุกเรื่องเลยเห็นไหมถึงพูดเต็มปากเต็มคำแล้วทุกวันนี้พูดอะไรเนะี่ยพงผางพงผา ง, ผางเลยเพราะเคยผิดมาแล้วผิดสารพัดจะผิดเลยโง่มากกว่าคนอื่นนะไม่ใช่ฉลาดนะไม่ใช่เก่งนะแต่โง่ โ ง, โงแต่แบบโงแ่แบบวัวแบบควายนะแต่อดทนเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนกันนะเรื่องภาวนานะไม่เคยถอยเลยนะนะะอดทนมากเลยมยีวันหนึ่งไปวัดหน้าเรือนจําใครรู้จักหลวงพ่อคืนมั้งคนสุรินรู้จักไหมหลวงพ่อคืนสิ้นไปหลายปีแล้วเนาะวันนั้นไปอยู่วัดท่านนะอ่ะท่านก็บอกเฮ้ย hey, พระโมทไปดูอะไรตอนนั้นเราส่งจิตไปดูเราไม่รู้ว่าส่งจิตไปดู ถ้าบอกไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่จิตนี่ถอยมานี่ถอยมาดูจิตนี่โอ้เราก็รู้รู้สึกได้เคล็ดลับแล้วต้องถอยมาดูจิตเข้ากุฏิเลยนะโอ้ค่าพอดีเลยวันนะี้ค่าปิดประตูเลยดูจิตดูตัวผู้รู้พอเราดูตัวผู้รู้ปุ๊บนะมันเกิดตัวผู้รู้ซ้อนขึ้นมาอีกตัวงไปรู้ตัวผู้รู้ตัวแรกใช่ไหมเรามาดูตัวผู้รู้ที่ซ้อนทำไมเกิดตัวผู้รู้อีกตัวหนึ่งมันซ้อนไปอย่างนี้เรื่อยๆมันเหมือนกับที่ ในตำราสอนว่าวิญญาณเป็นอนันตนะ์การที่เราดูจิตซ้อนๆๆไปเนี่ยถ้ามันสงบลงไปนะจะเปเรียกว่าวิญญาณัจายตนะจะเห็นวิญญาณเป็นอนันต์หรือบางคนไม่ยอมเห็นจิตผู้รู้ซ้อนนะไปประคองจิตให้นิ่งประคองไปเรื่อยนะไอ้นอนท์ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอานะไม่เอาอะไรสักอย่างเลยมันจะไปสู่สมถะอีกชนิดหนึ่งชื่ออากินจัญญายตนะเพราะฉั้นที่ว่าดูจิตดูจิตนะ่าระวังให้ดีนะ ดูจิตดูจิตนั้นดูไม่ถึงหรอกส่วนใหญ่ดูแล้วกลายเป็นสมนถะไปหมดเลยตายแล้วไปเป็นพระปรอมนะเป็นพระปลอมลำบากมากเลตากนะ็ไม่มีหูก็ไม่มีนะเป็นปรอมประเภทไม่มีตาไม่มีหูอยากดูลูกดูหลานก็ไม่เห็นนะไม่มีตาไม่มีหูมีแต่ใจอันเดียวลําบากงั้นเวลาดูจิตดูใจเนี่ยอันแรกนะดูให้ถึงจิตถึงใจนะอย่าถลําลงไปอย่าลงออกไปให้รู้ทัน ความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันนะปฏิกิริยายินดียินร้ายใดๆเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันกิริยาอาการใดๆเกิดขึ้นที่จิตเช่นวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดคอยรู้ทันมันหัดรู้ทันมันไปเรื่อยนะปัญญามันจะเกิดนะว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับถ้าเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับก็จะเห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะเกิดแล้วก็ดับด้วยไม่ใช่เห็นเฉพาะจิตหรอกจะเห็นขันห้าทั้งหมดเลยเกิดแล้วดับเพราะความสุขก็เกิดแล้วก็ดับใช่ไหม จิตที่สุขเกิดแล้วดับได้ความสุขก็เกิดแล้วดับได้เพราะมันเกิดดับไปพร้อมกับจิตนะจิตที่ทุกเกิดขึ้นได้ความทุก์ก็เกิดขึน้นได้นะจิตที่ทุกเกิดแล้วดับความทุกเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันมันเกิดดับไปพร้อมๆกันนั่นเองนะเราก็จะเห็นเออตัวเวทนาเขาไม่เที่ยงเหมือนกันนะความสุขจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับไปตัวความสุขที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปด้วยพร้อมๆกับจิตที่สุขนั่นแหละเนี่หัดดูไปนะจะเห็นขันทั้งหลายนี่แหละแยกตัวไปแล้วแต่ละขันแต่ละขัน ตกอยู่ใต้ใจรักเหมือนกันหมดเลยต้องฝึกนะฝึกเอาง่ายๆนั่งง่ายๆหลวงพ่ออธิบายเยอะมันจะจำยากเอาแบบง่ายๆเลยก็คือคอยรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยกันทั้งวันแหละใช่ส่วนใหญ่ใจลอยไปคิดหนีไปคิดข่านแรกเลยนะอย่าใจลอยใจลอยน่าเกลียดเวลาคนใจลอยพวกเราสังเกตดูเวลาคนโทรศัพท์รู้สึกไหมโทรศัพท์นั่งเดินคุยไป ทำหน้าทำตาทำดูตลกอะ่ะดูตลกบ้างดูหน้าสมเพศบ้างเพราะอะไรขาดสติใจมันลอยนะใจนหนีไปนั่นพวกเราอย่าใจลอยใจลอยไม่ดีเลยใจลอยเนี่ยจิตเป็นโมหะจิตที่เราคุ้นเคยกับโมหะตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่ดนะีเพราะฉะั้นอย่าให้ใจลอยมากคอยรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวบ่อยๆคนเฒ่าคนแก่ก็อย่าใจลอยไปอดีตอย่าใจลอยไปอนาคตนะใจหนีวิคิดเรื่องอดีตรู้ทัน ใจนี้ไปคิดเรื่องอนาคตรู้ทันแต่คนแก่ชอบหนีไปคิดอดีตเด็กชอบหนีไปคิดอนาคตอนาคตมันยาวคนแก่อดีตยาวชอบไปคิดอดีตเนี่ยจิตมันจะไหลไปอดีตบ้างไหลไปอนาคตบ้างะหลงไปคิดนะอย่าไปหลงนะจิตนี้ไปคิดปุ๊บค่อยรู้จิตนี้ไปคิดปุ๊บค่อยรู้เลยวิธีที่จะรู้ง่ายๆนะท่านแรกต้องฝึกฝึกที่ว่าหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้นะ หัดพุทโธไว้หัดรู้ลมหายใจไว้แล้วก็คอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันมันหายใจไว้จิตหนีไปคิดรู้ทันมันพวกเราไปหัดนะจิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้ไว้ๆไม่ใช่นั่งคิดไปทั้งวันทั้งวันนะไม่รู้ตัวเลยพอจิตหนีไปคิดแล้วเรารู้ได้จิตจะถอยตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จิตจะตื่นจิตจะเบิกบานจิตมันรู้ตื่นเบิกบานแล้วค่อยดูธาตุดูขันมันทํางานร่างกายมันทํางานนะ เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์กกรู้สึกเฉยๆทางใจกุศลกุศลทางใจเนี่ยแต่ละตัวมันทำงานขึ้นมาเราค่อยรู้จิตก็เกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจค่อยรู้ไปด้วยฝึกอย่างนี้นะเดี๋ยปัญญามันจะเกิดมันจะรู้เลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาฝึกให้ได้อย่างนี้นะก็จะเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลย จะรักไม่มีอะไรเหมือนเลยนะเรารู้สึกอัศจรรย์ในธรรมะของท่านเรารู้เลยว่าพระสงฆ์มีจริงๆร พ, พระพุทธรธรรมพระสงฆ์มีจริงๆเลยถ้าเราภาวนาแต่ถ้าเราไม่ภาวนาเราก็ลังเลสงสัยไปเรื่อยๆมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเนี้ยนั่นต้องฝึกนะเสร็จแล้วเราก็จะมีหิริโอตตะ ป, ปะเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเรานะใจจะไม่ไปทําชั่วหรอกเวลาใจมันชั่วขึ้นมามันละอายแก่ใจ นะถ้าไปทําชั่วเราก็เห็นมันมีผลไม่ดีทาชั่วทีไรจิตเป็นทุกข์ทุกทีเราจะกลัวการทําชั่วนะการที่เราละอายใจที่จะทําความชั่วนะละอายใจเวลามันมีกิเลสขึ้นมาเรียกว่ามีฮิรินะแล้วเกรงกลัวผลของบาปที่จิตไปทําเข้านี่เรียกว่าอตับ ป, ปะถ้าคนที่มีหิริอตับปากศีลนะมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติถ้านะเราหัดดูจิตดูใจของตัวเองนะเราจะฝึกมีศีลดยง่ายเลย พอมีศ nice ีลแล้วจิตจะมีความสุขศีลไม่ได้ทําให้จิตมีความทุกข์นะมีศีลแล้วจิตจะมีความสุขนะพอจิตมีความสุขจิตจะสงบเมื่อกี้สอนแล้วนะว่ามีความสุขแล้วมันจะสงบนี่แลรักษาศีลไว้จิตมีความสุขจิตก็สงบพอจิตสงบแล้วไม่อยู่เฉยไม่เซ่อไม่ใช่สงบเสื่องเซ่อเซซึมซึมไปวันหนึ่งวันหนึ่งคอยดูกายมันทํางานค่อยดูจิตมันทํางานนี่เรียกว่าเดินปัญญา ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญามีศีลสู้กับกิเลสหยาบๆมีสมาธิสู้กับความฟุ้งของจิตเป็นกิเลสชั้นกลางมีปัญญาสู้กิเลสละเอียดคือความไม่รู้ความโง่ความโง่นี่เป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดที่สุดเลยฝึกนะฝึกเอาวันนี้เอาเท่านี้ก็พอนะมาน